วันอาทิตย์ที่22กันยายนพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทตัวอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาตัาท่านสาธุชนใกล้ทางที่เขาลคกักคบในช่วงนี้จะเป็นพระสุตรันตปิฎกเรากำลังพูดค้างกันอยู่ในพระสูตรที่ 6.1 ที่มีชื่อว่าปริวิมังชนะสูตรที่แปลว่าประสูตรที่ว่าด้วยการเพ่งพิจารณาและคำว่าเพ่งพิจารณาในที่นี้ก็หมายถึงการเพ่งพิจารณาด้วยการจเจริญวิปัสนากรรมฐานและการจเจริญวิปัสนากรรมฐานที่กล่าวถึงโดยในยะสูตรนี้หมายถึงการจเจริญวิปัสนากรรมฐานที่ใช้วิปัสนาภูมิในส่วนของปฏิจจสมุปบาท คือพิจารณาเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระบวนการของเหตุปัจจัยของนามรูปไปเลยทันทีตั้งแต่ต้นนั่นเองเราได้พูดมาจนถึงประเด็นที่สี่ซึ่งวันนี้จะต่อในประเด็นที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปจนถึงจบสูตรนะครับในประเด็นที่ห้านั้นมีเนื้อความที่พระศ า, าสดาได้ตรัสแจ้งภิกษุทั้งหลายว่าในการใดแหลภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้น ในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทํากรรมเป็นบุญไม่ทํากรรมเป็นอาบุญไม่ทํากรรมเป็นอาเนญชาเพราะสํารอกอวิชชาเสียเพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ทําเมื่อไม่คิดก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ประเด็นนี้ผ่านเฉพาะตน ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมรจันทร์อยู่โฉกแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้นี้ได้มีเนี่ยเป็นประเด็นที่ห้านี้ก็มีความที่จะต้องกล่าวย้ําว่าอาวิชาที่พิสูจนละได้แล้วก็วิชาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของที่อ่าพร้อมกันนะฮะพร้อมกันหมายถึงว่าอาวิชาถูกละวิชาเกิดขึ้น ถ้าพูดโดยความหมายจริงๆก็คือว่าการที่บุคคลเจริญวิปัสนากรรมฐานไปโดยลํา ด, ด, ดับเนี่ยเวลาสติสัมปชัญญะเกิดสัมปชัญญะนั้จะเป็นสมมติว่าเป็นขั้นวิปัสนาญาณหรือแม้ไม่ใช่วิปัสนาญาณที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อสติะเมื่อสัมปชัญญะเกิดนั้นอวิชาถูกทําให้คลอนแคลนตอนนั้นอวิชาไม่มีคพี อ, อวิชาไม่ปรากฏนะครับเพียงแต่ว่าการลาของ ผู้ที่จะเดินวิปัสนาอย่างที่เราพูดกันว่าเมื่อเราจะเิญวิปัสนาได้สัมปชัญญะปรากฏเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยครับในแต่ละขั้นว่าเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นผมใช้คำว่าชีวิตแทนนะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็มองเห็นเลยว่าก่อนหน้าแต่การเข้าถึงสัมปชัญญะหรือเข้าถึงญาณตอนนี้เราไม่เข้าใจอย่างนี้ แล้วก็รู้เล้ว่าที่เราไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอวิชชานี่คือหน้าตาของอวิชชาชนิดหนึ่งที่เรารู้และการรู้นี่แหละเป็นการละการละอวิชชานั้นจึงละได้ด้วยการรู้เท่านั้นน่ะต้องย้า ม, มาต่านั้นไม่มีคำว่าบังเอิญหรือไม่มีคำว่าอธิบายไม่ได้และอธิบายได้เนี่ยเพื่ออธิบายแก่ตัวเองอธิบายในใจ อธิบายด้วยความรู้สึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกคนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะบางคนทุกคนเลยจะเป็นไปตลอดโดยลําดับโดยลําดับดลําดับพอลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นชั้นของอวิชชาชั้นของความไม่รู้อยู่ในลักษณะมองย้อนกลับเนี่ยว่าโอมันมันหนักแน่นหลายชั้นหลายเชิงเหลือเกินแล้วก็เข้าใจเห็นคุณค่าของปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้ แล้วก็จับได้อันหนึ่งว่าในขณะที่เราละอวิชาเนี่ยละท่านบอกว่าบุคคลไม่อาจจะละอวิชาได้ด้วยจิตที่มีอวิชาคือในขณะที่เรากําลังถูกอวิชาครอบงำตอนนั้นไม่เกิดการละจะเกิดการละเมื่อเกิดยานวาบขึ้นซึ่งตอนนั้นอวิชาไม่ปรากฏตัวก็คือละนั่นเองครับ อ, อจึงย้าว่าบุคคลเมื่อ โกรธอยู่ไม่อาจจะละความโกรธ ไ, ไ, ได้ด้วยจิตโกรธ บ, บุคคลเมื่อโลภอยู่ไม่อาจจะละความโลภได้ด้วยจิตโลภบุคคลเมื่อหลงอยู่ไม่อาจจะละความหลงได้ด้วยจิตหลงนั้นแต่บุคคลจะละความโลภด้วยจิตที่ไม่โลภบุคคลจะละความโกรธได้จิตไม่โกรธบุคคลจะละความหลงด้วยจิตที่ไม่หลงตรงนี้แหละเป็นหลักที่ผมถึงเน้นอยู่ตลอดเวลาว่า อะไรอไรทั้งปวงเนี่ยถ้าเรารักษาจิตเป็นบุญยันไว้ก่อนเนี่ยมันทําให้เกิดความเข้าใจอะไรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รู้เรื่องได้และให้สังเกตว่าเมื่อใดที่จิตเราเป็นอกุศลเนี่ยเมื่อนั้นพูดไม่รู้เรื่องเราก็พูดกับตัวเราเองไม่รู้เรื่องใครพูดอะไรเราก็เข้าใจไม่ได้ในขณาดนั้นแม้ว่าเราจะรู้หลักการแต่เมื่อใดจิตเป็นอกุศลอยู่ตอนนั้น หลักการก็ไม่มีความหมายเราอย่าพูดเลย ว, ว่าเรียนถึงขนาดนี้ทําไมถึงไม่เข้าใจทําไมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าตอนนั้นจิตก็เป็นอกุศลและบางคนถ้าหากว่าจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นง่ายๆนี่ให้ฟังให้ดีนะแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เกิดคือถูกยุ่ยให้เกิดอกุศลง่ายเนี่ยจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจโดยตรงโดยอ้อมก็ตามไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันจะเข้ามาสกัด ทำให้หลักการการรับรู้เหตุผลเนี่ยมันไม่ออกนะถึงออกก็ไม่ข้าใจถึงพูดจนแต้มเขาก็ดันทูลังเถียงเถียงด้วยความกบล ก, ก, ก็มีวิธีนี้คืออุบายของกิเลสนะมันเป็นอย่างนี้เลยเลยผมย้ำหลายครั้งว่าต้องตั้งจิตเป็นกุศลไว้เสมอเวลาจะทำความเข้าใจอะไรเนี่ยนะหรือเราจะเข้าใจคนเนี่ย ต้องทำความรู้สึกเป็นกุศลใ ห, ให้ได้ก่อนแล้วค่อยต่อเติมกระบวนการของปัญญาเข้ามาเติมเมตตา ก, ก็สามารถที่จะเติมได้ง่ายนี่ยคือคไอ้กลไกของมันทีนี้ในสูตรนี้นะท่านพูดถึงการละอวิชาด้วยวิชาขั้นอาหารหันเนท่านพูดลุยไปถึงสุดยอดเลยแต่อนุโลมมาถึงเบื้องต่ำด้วยเราก็ยกตัวอย่างเบื้องต่าแล้วก็พูดข้าไปถึงสูงสุด ตามสูตรนี้ว่าละาวิชาได้แล้ววิชาเกิดแล้วก็คือพร้อมกันนั่นแหละอรหตัตธรรมเกิดเรานะ่ยเราก็ไม่ถึงขั้นใดวิชาเบื้องสูงเราอยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้ชัดหรอกเพราะว่าเรามองย้อนก็พอได้แต่มองขึ้นไปเพื่อรู้ว่าเราอยู่ตรงพิกัดตำแหน่งไหนของยานเนี่ยเราก็ไม่รู้ ตอนเราไม่รู้ตรงสองฝากกันนะฮะแต่เราอนุมานคือเราก็พยายามรู้ว่าในสนาที่ลาตัมมะเกิดเนี่ยดวงจิตของท่านขนาดนั้นสว่างสวยสดใสขนาดไหนเราจะเพิ่มให้อีกกี่ร้อยกี่ล้านเท่าของความรู้สึกในระดับเราขึ้นไปเราก็คงจะเติมไม่ถูกใช่ไหมใช่เราเติมไม่ถูกแต่เรารู้ว่าจะต้อง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการละอวิชาด้วยเกณฑ์อันนี้เหมือนกันไม่ต่างกันมันเป็นขั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดและคำว่าสว่างเนี่ยระพุทธเจ้าท่านเนจาดว่าแสงสว่างเกิดแล้วจากสุเกิดแล้ววิชาเกิดแล้วแหะในธรรมจักรกระโปตันสูตร แต่ไม่ได้หมายถึงสว่างในลักษณะนิมิตให้จําไปอย่างนี้เลยว่าไม่ใช่เราสว่างในลักษณะนิมิตสว่างลักษณะนิมิตนั้นไม่ใช่เรื่องราวของวิปัสสนาหรือในทางมรรคทางผลแต่เป็นสว่างด้วยความรู้สึกถ้าคนมีประสบการณ์ได้กันเนี่ยก็พูดก็เข้าใจและอัศจรรย์จริงๆครับว่าเวลามันเข้าใจลงมามันสว่างเราใช้คำว่าสว่าง ถ้าไปคุยกับคนสมาธิเนี่ยนึกไปคนละอย่างทันทีเลยคนสมาธิเขาเนึ้นสว่างเห็นเป็นนิมิตเจนไปอะไรเงั้ยน่ะก็นึกไปงั้นแต่เราบอกไม่ใช่สว่างอย่างนั้นนะมันเข้าใจมันเห็นในนามรูปน่ยมันโล่้งไปหมดเลยนี่คือสว่างอย่างนี้เป็นเครื่องตื่นอย่างนี้แต่ลองพิจารณาแล้ว่าเอ๊ะมันเป็นความสว่างอย่างนิมิตไม่ใช่ สม่างสว่างอย่างเรามองไปที่แสงไฟเห็นไฟลอดผนังาตาเข้ามาเลยไม่ใช่จึงนึกได้ว่าปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงสว่างในโลกเนี่ยคือทีนี้ตรงนี้ในสูตรนี้เนะี่ยมันมีประเด็นว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับความเป็นบุญไม่เป็นบุญบุญกับบุญอาบุญคือบาป แล้วก็อันใอนเนชาคือบุญชั้นสูงนะบุญชั้นสูงสุดที่ยังเป็นบุญอยู่ไม่ใช่โลกุตละบุญคืออรู ป, ปรชาอย่างที่ได้กล่าวแล้วคนที่สามารถจะละบุญได้ละความติดในบุญได้เ อ, อตรงนี้ก็อธิบายอย่างนี้ว่าเราเนี่ยความดีกับความชั่วเนี่ยในฐานะเขาก็เป็นความดีความชั่ว แต่เราเองเนี่ยเรามีความยึดความดีความชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่งถูกไมมถูกความยึดนั่นเป็นความชั่วความดีความชั่วเป็นดีเป็นชั่วเรายึดชั่วชั่วก็ยังเป็นชั่วไม่ได้ชั่วเพิ่มขึ้นไปตามยึดไอ้ชั่วหน่วยนั้นน่นนะฮะ <alrededor> เราไปยึดความดีความดีก็ไม่ดีขึ้น ความดีก็ไม่ตามลงไอ้ความดีหน่อยนั้นทีนี้ไอ้ความยึดเนี่ยมันจะยึดดีหรือชั่วตัวมันเองมันชั่วดีชั่วคนชั่วนั่งใกล้คนดีเห็นคนดีดีไปตามคนดีที่เห็นไหมไม่เห็นเห็นพราหลานก็ไม่ได้เป็นพราหลานไปตามพราหลานที่เห็นกาตาอยู่เห็นโจรก็ไม่ได้เป็นโจรไปตามราหลานเนี่ยนฮะนี่ก็เป็นเรื่องจิตนะครับทีนี้ ไอ้การที่เข้าไปยึดความดีความชั่วเนี่ยในเรื่องของการทำกรรมเหมือนกันมันก็เป็นความยึดอย่างหนึง่งที่เรายึดความดีความชั่วมันก็คือมันก็คือคุณค่าของกรรมนะฮะคือไอ้ตรงนี้ถ้าขยายพิสดารสำหรับคนที่เรียนเก่าก็ว่าถ้ายึดวิบากผลของความดีความชั่วนะอันหนึ่งแล้วก็ยึดตัวความดีความชั่วอันหนึ่ง มันยึดจริงๆนะมันไม่ใช่พระท่านพูด<ม>ไปเท่านั้นเองหรอกยึดจริงๆยึดเหมือนกับเราไปยึดคนดีเนี่ยเรายึดจริงๆไม่ใช่พูดไปอย่างนั้นเองยึดจริงๆเรารู้ได้ไงว่ายึดเวลาใครเข้ามาด่าคนที่เราเรานับถือเนี่ยเราเล่าร้อนไหมเราเล่าร้อนเพราะเรายึดคนชั่ว คนอื่นมาดา่าคนชั่วที่เรายึดเราร้อนไหมไม่เราร้อนใช่ไหมแอ่ตอบแทนคนอื่นดิอย่าอย่าตอบออกมาจากใจตัวเองคนอื่นก็ชั่วเนะี่ยแล้วเรายึดนะเราชอบนะเป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันใครเขามาว่าเราก็โกรธใช่ไหมนี่คือความยึดมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอยึดความดีก็เหมือนกันมันเหมือนกับคนดีคนชั่วเราก็มีความรู้สึกราร้อน เมื่อเราจะต้องรับร่ า, าหรือใครก็จะมาดูถูกดูหมิ่นความดีความชั่วของเราถึงเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราก็า ว, ว, าว่ากวามก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนั้นใครเข้ามาดา่าพระไตรปิฎกถ้าเรานับถือพระไตรปิฎกเราก็ไม่สบายใจพูดในกระ่ชั่วนะเรานับถือพระพุทธรูปใครเอาพระพุทธรูปไปแขวนหมวกเราก็ไม่สบายใจ น ะ, ะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องความดีความชั่วที่พระอาหารหันท่านไม่ทําเนี่ยท่านไม่ยึดจริงๆแต่ไม่ยึดของท่านเนี่ยท่านยังมีความรู้สึกในทางดีทางชั่วอยู่ทำไมาทุกข์ชั่วไม่มีฮะชั่วไม่มีตัวท่านเองนะไม่มีแต่ว่าท่านท่านไม่ยึดเมื่อไม่ยึดเนี่ยทําให้ไอ้ความดีนั้นเลยไม่ มีผลไม่มีพลังในทางกรรมนะฮะอย่างที่เราเรียนมาในทางพระพิกรรมชื่อว่าเป็นผู้ละบุญละพลังในทางบุญที่จะทำให้ท่านต้องไปเวียนว่ายใจเกิดทีนี้ถ้าถามมาทําไมถึงไม่หยุดตรงนี้คือในในในพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยจะพูดหยุดจากสองหลักเนี่ยผมสรุปให้ดูและสังเกตว่าในบางสูตรท่านพูดตอนนั้นท่านพูดตอนนี้ก็แล้วแต่นะฮะคือกรรม ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีตัณหาเป็นปัจจัยกับอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าเรานึกถึงในปฏิจจาเราก็จะพอนึกออกว่าปฏิจจาในช่วงต้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารคือกรรมใช่ไหมบุญบาปปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอานญจจพิสังขารและ พอมาถึงอีกเปราะหนึ่งของปฏิจจ์ท่านจะนึกได้ว่ามีคําว่าตัณหาเป็นปัจใจแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปั จ, จัยแก่ภพโรยิอุปาทานกับตัณหาเนี่ยท่านโดยในยนี้เป็นอันเดียวกันนะภพเนี่ยคือกรรมมาภพเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปดูปัจโจภพไม่ต้องพูดเมื่อว่ากรรมาภพก็คือว่ากรรมเนี่ยอาศัยพลังภายในหรือเหตุภายใน ในทางลึกเนี่ยอยู่สองตัวหนึ่งคือความที่เราไม่รู้ทุกสมุทัยนี้โรดมาไอต้ตรงนี้เราก็พูดกันมาบ่อยแต่ว่าความลึกเนี่ยมันมันเข้าใจไม่ใช่ง่ายนะกันนะฮะแล้วก็มันก็น่าพูดด้วยน่าศึกษาตรงนี้ด้วย เ, เราเทียดกันยังีงว่าพระอรหันต์ท่านไม่ชอบกำมตรงไหน เราเองเนี่ยถ้าเรามีปัญญาละอวิชารู้ว่ากรรมนั้นกรรมนี้มีผลสมมติว่ากรรมชั่วเนี่ยนะฮะเราอยากทำไหมเราคิดจะทำไหมเราไม่คิดจะทำนี่แปลว่าเราละได้เท่าที่เรารู้จริงไหมจริงแปลว่าเราเองเนี่ยเราไม่เห็นโทษของกรรมชั่วบางอย่าง เราก็ไม่ไม่จริงใจในการที่จะรับเราก็มีข้อขยักทุกก็เห็นได้ว่าปุตรชนทุกคนแหละสมมติว่าเขาบอกว่าบีบมดตัวเดียวก็บาปโอ้โหบอมึงคนรับไม่ได้นะข้ายุงไม่รับไม่ได้ไม่อยากให้ให้ให้พูดสอนนี้เลยไม่ใช่คนนอกวัดนะกูนในวัดนะเนี่ยเพราะว่ามันสวนความรู้สึกของเขานะนะ ใช่ไมเข้าใจไหมไอ้คนทํามาก็ขายที่มีการโกงเล็กกงน้อยก็เหมือนกันไอ้คนโกหกก็เหมือนกันบางบัไประเหืบางดับพยายามจะเสี่ยงให้ให้ถูกไม่ได้คนที่พูดทังคนในวัดเลยอาะจริงๆเราเองก็ต้องพูดยํำยังไงที่รักษาหลักการและทำให้เขาไม่คีดจะมโมบุญวายกับหลักการมากนักแล้วก็เขาสะดวกใจพยายามพยายามจะสงวนการโกหกในบางแง่ไว ให้เป็นของถูกพอเห็นอันในสงเห็นประโยชน์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเกิดเห็นตําตาที่มาเกิดยานเห็นว่าโกหกนิดหนึ่งก็เป็นบาปฆ่าสัตว์นิดหนึ่งก็เป็นบาปมทำโดยนี้มองไปเห็นอนาคตแล้วสวยโปนี้มองไปเห็นอนาคตเลยว่ามันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้มันน่ากลัวมากอย่างนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกไม่ต้องการทํา แต่คนจะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยพูดไงก็เห็นไม่ได้ออกไป่มาแต่ว่าคนปฏิบัติธรรมเห็นได้รู้สึกได้เพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงมีพลังการละความชั่วได้ละเอียดกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นที่ไปเห็นจริงเหล่านั้นทีนี้เรามานึกดูว่าไอเราเองเนี่ยเราก็ไอความชั่วไม่ต้องพูดถึงแหละ ที่นี่มาพูดถึงความดีผลของความดีเรายังเห็นเป็นประโยชน์แก่กิเลสของเรากิเลสเราเนี่ยมันไปไเรียกว่าไปอาศัยกินอยู่กับความชั่วเราก็ควบคุมได้กิเลสของเราที่ไปอาศัยกินกับความดีมันมีใช่ไหมใช่มันเหมือนอาชีพอะเมื่อคนที่เขาทาอาชีพอาชีพไม่ดีเพื่อสแสวงหาเงินทองมากิเลสอาศัยกินอาชีพชั่ว อีกคนนึงก็มาทําอะไรที่มันเรื่องดีแต่ก็อาศัยกินแต่มองก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีอาจจะมาที่เร็วมาวิทยาลักินกับวัดวัดอะไรก็แล้วก็เป็นเรื่องถูกต้องไม่ไม่ใช่ เ, เรื่องน่าเสียดอะไรอย่างนี้นะก็ก็มันก็เป็นไปได้ที่ก็เป็นไปตามระดับกันทีนี้มาพูดด้วยว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นว่าท่านเกลียดตัวตัวหมายถึงนามรูป ท่านก็เกลียดที่จะได้อะไรอะไรที่มันแค่ให้ตัวบำรุงตัวที่ท่านเกลียดเท่านั้นท่านก็ไม่เห็นประโยชน์ถูกไหมท่านไม่เห็นประโยชน์สมมติว่าเราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งอย่างรุนแรงเจ็บปวดมากแล้วก็มีคนขาบอกวนี่กินนี่สิจะได้ยื้ยืนต่อไปตั้งสิบปี แต่ไม่ได้บอกว่าหายนะบอกกินแล้วก็ตายยากเอางี้กแล้วกันเราเนี่ยลองควรกลางทุกวันทุกวันเลยราอยากกินนะมเราไม่อยากกินพ็เขินกินก็แมวมันต้องทุกต่อไปอีกนานพระอาหารหันต์ท่านก็เลยรังเกียอยาบำรุงวัตตะก็ะกินเข้าไปวัตตาก็ยืดเยือ้อยาวนานจึงข้ามเลย สิ่งความจริงท่านก้ามเลยมาถึงปฏิเสธเหมือนก็ตั้งก้า ม, มาตามลำดับแล้วที่มันไม่ได้ประโยชน์ใดแล้วเนี่ยนะเหมือนกับเราละตําแหน่งต่ตําๆปลดปล่อยทิ้งไปโดยลําดับโดยลําดับโดยไม่เห็นอานิสงส์จริงๆสมมติว่าต้องบอกว่าเอา้าจะซื้อแท็กซี่มิเตอร์ไอ้คันไปขับเอามาซื้อให้ปรีๆเลยไม่ต้องเสียท่าชาวเอาไปแล้ว การนึ่งไม่พอเราสองแม่เราก็ไม่เอาไม่รู้จะเอาไปทําไมมีพูดถึงอย่างเรานะมันมันเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีหนทางที่ดีกว่านั้นแล้วเทียบเหมือนกับในทางบุญเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการละตรงนี้จึงเป็นการละอย่างการเห็นเห็นแล้วก็ละไปในตัวเลย เหมือนคนเห็นโทษของอวิชารู้ถึงความโง่มันลากไปในตัวเลยไปพร้อมๆกันเหมือนกับการลักกรรมนเนี่ยอวิชานี่เมื่อเห็นนามรูปโดยความเป็นทุกข์ก็เกลียดกรรมไอ้การที่เกลียดคือการปลดปล่อยคือการปลดปล่อยโดยอัตโนมัติปลดปล่อยก็คือปลดปล่อยตัณหาไอ้สองอย่างนี้อย่างที่พูดแล้วนะฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาปิด ข้อเท็จจริงไว้ตัณหาก็อยากไปตามข้อมูลที่ได้ผิดๆจากาวิชาแล้วก็ขวนขวายตามนูนน่นตามนี้นี่ถ้าหากว่าเอาวิชาเนี่ยถูก เ, เปิดเผยตัณหาก็ความกระสันอยากก็อ่อนเปล่าลงไปเหมือนเราอยากถ้ว่าอยากจะกินอาหารที่เป็นพิษ ที่ถูกประดับตกแต่งสวยงามสอดคล้องกับความอย่างที่เราสะสมมาแล้วเราก็ไม่รู้เป็นยาพิษเราก็กินด้วยความเริดลอยแต่ถ้าเรารู้เป็นยาพิษหรือแม้ไม่ใช่ยาพิษเพียงแต่เขาบอกว่าเนี่ยอาหารเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมามีคนถมน้ํำลายลดลงไปแล้วเช็ดออกเราก็ยังไม่กล้ากินเห็นะหรือบอกว่าเนี่ยมีไอ้ไอ้ของตกกป๋องแค่ว่าเราไปเห็นในครัวไงนะแต่จริงๆนะบางที บางทีไอ้ข้างนอกเนี่ยดีพอไปเห็นในครัวเขาแล้วไม่เข้าร้านนั้นอีกเลยครับผมเคยมาแล้วนะไม่เข้าร้านนั้นอีกเลยตอนอยู่ข้างหน้าครัวแหมก็ตกแต่งดีอะไรดีแล้วก็รสชาติดีการบริการดีพอไปเห็นในครัวเนี่เลิกเลยครับใครบอกล่ะก็ความรู้มันบอกไอ้ ร, รู้เนี่เทียบให้ฟังว่ารู้อย่างธรรมดาอย่างนี้เราก็เลยกลัวทีนี้ว่าเมื่อ อวิชาสิ้นแล้วเนี่ยไม่ไม่ไมทํากรรมแล้วที่มีข้อความต่อไปว่าเมื่อไม่ทําเมื่อไม่คิดหมายถึงอาการคิดด้วยเจตนานั่นเองครับเป็นเป็นไวโพ์ของกรรมเจตนาคือกรรมไม่ถือมั่นอะไรอ่ะในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวเอาตรงนี้ก็พูดคือตรงนี้ท่านพูดระดับสูงแต่มีความหมายไประดับต่ําว่า ความสะดุ้งกลัวเนี่ยความกลัวเราแบ่งว่ามันมีสองกลัวด้วยปัญญากับกลัวด้วยโทสะแล้วก็ไอ้ความกลัวที่มันกลัวเรื่องอะไรต่างๆมันก็มีขั้นั้งมันเหมือนมันได้ตัหามีหลายขั้นผมถามว่าคนกลัวตกนรกเนี่ย กลัวเป็นโทษสาก็ได้ใช่ไหมกลัวเป็นโทษสาก็ได้ทีนี้ความกลัวมันมีกลัวอยู่ชนิดหนึ่งที่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าในขณะที่บุคคลปฏิบัติกรรมฐ า, านไปถึงจุดหนึ่งเห็นโทษของนามรูปเห็นความน่าตะพึงกลัวของนามรูป ตรงนี้แล้วพอเห็นใหม่ๆเนี่ยมันถูกชิงกันระหว่างทายะที่เป็นญาณหรือเป็นเป็นปัญญานะฮะถึงไม่ถึงระดับปัญญายังก็มีความสุขอย่างนี้นะแล้วข้ออีกส่วนหนึ่งก็คือโทสะมันเข้าแทรกโทสะเนี่ยจะคอยมาเข้าแทรกให้คนนั้นกลัวกลัวกระทั่งกลัวการที่ได้เห็นคือมันเหมือนกับเราเทียบเหมือนกับคน ที่เขาไปใ น, นกรกแล้วก็ละลายฟังหรือไปสู่แดนประหารเคยกลัวไหมและทํำยังไงมีใคร ม, มั้งกลัวจังเลยถอยไปถอยไ้กลัวจังเลยพอยยืนกล้องส่องดูใจใกล้เลยตามเงียบเคยเบินเบิ น, นหน้าหนีฮะโดยมากนะเวลากลัวเบินหน้ า, นานห น, านีเอามือปิดหน้ากลางๆนิ้วด ก็แล้วแต่จังหวะความรูวเกิดความรู้สึกรสโยด์สยองใจหนึ่งก็เหมือนอยากเห็นใจหนึ่งก็เหมือนอยากหนีเห็นก็คือไอ้คือว่าใจหนึ่งอยากเห็นก็คือไอ้ภูมิปัญญามันเข้ามากวรจะเห็นไอ้อยากหนีก็คือโทสะมันดึงออกมันเป็นลักษณะจิงกันไปจริงกันมาสองอย่างนี้ถ้าบุคคล น, นั้นตั้ง จิตเอาไว้ได้ก็ไม่ก็ไม่กลัวไอ้ตรงนี้แหละที่บางทีเราก็คุยๆกันหลายคนผมเองได้มีโอกาส่าพบคนที่ถึงอารมณ์ตัวเนี้ยเยอะแล้วก็มีอาการต่างๆกันที น, นี้ก็มานั่งพูดกันอันนี้ก็พูดจากหลักแล้วก็จากที่ผมเองใช้ความรู้สึกตับบดบทด้วยวามรู้สึกตันนี้แล้วก็มันก็ไม่หนีไปจาก ประสบการณ์ขั้นต่ำๆของหลายๆคนในเรื่องชีวิตธรรมดาราถามว่าทำไมเราถึงกลัวไอความรู้สึกกลัวอีกด้านหนึ่งจึงเข้าแทรกได้เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เราไปเห็นอะไรที่เราคิดว่าเรากลัวเนี่ยทำไมเราถึงกลัวถามว่าทาไมเราถึงต้องกลัวกลัวแบบนี้นะและทำไมอีกคนหนึ่งก็ถึงไม่กลัว ถามมากลัวว่าะ อ, อะไรตอบได้ไหมเดี๋ยวไปดูนรกกลัวนรกเพรา อ, อะไรไปเห็นคนเขาฆ่ากันเนี่ยกลัวเ่รา อ, อะไรตอบได้มั้ยนี่ถามจริงๆแล้วตอบจริงๆก็จะได้เข้าใจธรรมะว่า <S <S <S ตัวจะโดนจะโดนเราใช่ไหมจะเป็นเราคือปลาลบตัวเองนี่อันหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าที่เห็นเดียวก็คือเราทนความรู้สึกเราไม่ได้กลัวความรู้สึกเรา ไอ้ความรู้สึกที่เรากลัวเนี่ยมันก็คือไอ้โทสะนั่นแหละครับมันไม่ใช่กุศลหรอกมันน่ากลัวก็ตกลงว่าเราจะกลัวในความรู้สึกหรือกลัวมันจะโดนกับตัวเองก็ตามเนี่ยมันก็คือตัวด้วยสาเหตุอันเดียวกันคืออะไรแล้วทำไมไม่กลัวแทงดึ่งบอกเออกลัวบางกันก็รกลัวแทนใครกลัวแทนคนที่ผูกพันกับเราใช่ไหม เราก็กลัวแทงคนอื่นแต่มุ่เรามาอยู่ด้วยกันแลเราพาคนอื่นออกหน้าบังเราไว้ก่อนเอ้ไม่อยากกลัวแทงคนอื่นดิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความยึดติดสาเหตุของความกลัวเนี่ยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามครับในเงื่อนไขใดกระดา ม, มาจากความยึดติดทั้งนั้น กลัวเสียกลัวอะไรทุกอย่างหมดเลยเกิดจากความยึดติดและคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบาทีก็ถอนไอ้ความติดอะไรมาได้พอเยอะดัานันดับแล้วนะพอมาถึงตรงเนี่ยคนพบเลยว่าเราเนี่ยยังติดตัวเองความรักตัวกลัวตายเกิดกระไครไม่เกิดเกิดกับ ภาวนาธรรมเกิดกับภาวนาธรรมนี่ไอ้ไอ้คนคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้ความกลัวนี่ถามรรมาทํำยังไงอันนี้ก็ถ้าใครเกิดจะไปปฏิบัติยังไงถึงตรงนี้แล้วได้อะไปใจถูกก็คือต้องปลดปล่อยปลดปล่อยตัวตัวเองที่เรียกว่า ตายเป็นตายอย่างมากก็แค่ตายเนี่ยบูงกันนะปลดปล่อยตัวเองอย่างมากก็แค่ตายให้รู้ว่าเรากำลังยึดถือตัวเราเองนะเราถึงกลัวเรากำลังมากลัวเพราะอะไรเรายังติดนามติดรูปอยู่ใช่หรือไม่และถ้าเป็นอย่างนี้จะสมควรเข้าถึงหรือเห็นความเป็นจริงของนามรูปได้อย่างไร อย่างนี้สิเราน่ากลัวแต่ว่า้ความเป็นจริงเนี่ยมเราก็ทําไปทํามาแล้วก็สามารถรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นใจดีสู้เสือแล้วก็ใจก็เป็นกลางก็ เ, เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างใจเป็นปกติเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าเราคุมใจได้คุมความกลัวอะไรได้เนี่ยนะมันทําให้ มองเห็นได้แต่แล้วก็ไอโอกาสเอาตัวรอดมันจะรอดได้เถ้าคิดจะเอาตัวรอดนะถ้ามวัวไปลนลานอะไรเขาบางทีก็แย่มันไม่ถูกอะเลยแทนที่จะไม่เป็นไรก็เลยกลายเป็นลายทีเด น, นเวลาถึงจุดที่เราเรากลัวกลัวความรู้สึกเนี่ยแล้วก็กลัวตัวเราเองสองอย่างผสมกันคือทำไมเพราะว่าไอ้เราเองเนี่ยเราไม่ต้องการให้ตัวเป็นอย่างนี้ เพราะเราเคยเข้าใจว่าตัวเราไม่ได้เป็นอย่างนี้พอไปเห็นเข้าว่าเอ๊ะท้งตัวเรานี่มันอันนี้จังมันเกิดดับไม่มั่นคงไม่เพี่ยงแท้ก็เกิดความกลัวขึ้นจึงต้องเลียดความปลดปล่อยหรือคืนความยึดถือควบคุมความยึดถือให้ได้ก็จะไม่กลัวทีนี้ตรงนีนะ้ท่านพูดระดับอรหรันต พระอรหันเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้ไม่กลัวตายพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดว่าคนที่กลัวตายเล้วะอะไรเพราะรักตัวเราจรึงใช้คาว่ารักตัวกลัวตายไม่รักตัวไม่กลัวตายแล้วทั้งคู่ก็ต้องตายนะฮะตายแบบกลัวแบบไม่กลัวแต่เป็นอรหันต์ก็ตายแล้วไม่ตายอีก นั่นตอนตายเนียถึงมีหลักว่าต้องปล่อยวางของข้างนอกปล่อยวางภายนอกปล่อยวางภายในอสมเด็จพระวนารักษ์ทัพทันเทศเลยแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยต้ น, ต, น, ต, นต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการที่หนึ่งที่สองปลดปล่อยภายนอกปลดปล่อยภายในคนปลดปล่อยอันนี้ได้แล้วไม่กลัวตาย แต่ไม่ใช่แค่นี้นะมีอย่างอื่นนะปลดปล่อยภายนอกปลดปล่อยภายในแล้วก็ถึงรัตนไตรเป็นที่พึ่งสมาทานศีลอาจาแล้วก็ไม่ใช่จำรงตนอยู่ในไตรสิกขาท่านให้ไว้เสียคือปล่อยสองแล้วก็ยึดเหนี่ยวไว้สอง ปล่อยยึดปล่อยสองต้นยึดสองหลังแต่ไม่ใช่ยึดด้วยกรนเล็กข้างหลังในหมายั้งยึดด้วยกุศลธรรมเราพลิกมาถึงประเด็นที่หกพพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงระลักถึงส่วนที่เป็นสุดยอด หรือเป็นยอดหรือเป็นที่หมายของความยึดหรือเป็นมันเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นกลิ่นเป็นสีของความยึดของสิ่งที่เรายึดเลยนะฮะคืเวทนาท่นเองแต่เรายึดน้ำยึดรูกหรืออะไรก็ตามนะมันจะมีไอตัวที่อันนี้เป็นตัวปรุงแต่ตัวกลิ่นสีเป็นผักชีโรยเป็นกลิ่นเป็นสีให้หอมหวนชวนยึดชวนบริโภค ท่านตรัสว่าพ่สูนนั้นสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนาไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกทุเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เปลิดเปินแล้วด้วยตัณหาถ้าสวยอทุกขรรมสุโขจนาก็รู้ชัดว่าไม่เที่ยงไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหา ไม่เปิเ่มเติมในตนาพิกสุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็วางใจเสวยไปถ้าเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเสวยไปถ้าเสวยอาทุกขมสุขเวทนาก็วางใจเสวยไปภิกษุนั้นถ้าเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต รู้ชัดเวทนาทั้งปวงอันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นสรีระราชาจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแข่งกายและท่านกมิลประมาณเปรียบเทียบมาพูดถึงว่าเวลาที่เรา <c oughs> ยึดติดอะไรอะไรเนี่ยนะ มันเหมือนเรากินขนมหรือเหมือนอะไรต่างๆนะมันจะมีไอ้ไอ้ไอ้ตัวชวนนะเรียกว่าอะไรพวกหน้า ม, ม้าหรือจะเรียกว่าคนเชียร์แขกอะไรก็ได้นะแต่นาดจะเดินไปตามห้างยังมีซุ้มหมอดูยังมีคนมาเชียร์เลยมาเชียร์ไปดูหมอดูอะไรเงี้ยนะตัวโฆษณาตัวที่มันตัวโดนหยอกๆเข้าไปเนี่ยแต่เราเห็นม่เรื่องสําคัญนะคือเวทนา เช่นสมมุติว่าแหวนที่ท่านสวมอยู่ถ้าสวมแล้วแห้ท่านรู้สึกจิตใจท่านพองแผ่วสวยเบิกบานภ้าภูมใช่ไหมท่านสวมกันกระสวมเลยทันทงไอตอนสวมเนี่ยนิ้วไม่รู้สึกอะไรเลยดีไม่ดีอาจจะคับนิ้วด้วยกันแต่เราสวมพอมเราไปติดไอความรู้สึก ด, ด้านอื่น ไอ้ความรู้สึก ด, ด้านอื่นก็นิ้วมันคนละเรื่องกันนะมันไม่เกี่ยวกันมันก็ล่อล่อให้เราไปต้องไปติดกันนะแต่ถ้าสมมติเราสวมไปแล้วสวมทีไรเนี่ยโอ้โหจะคนเขาด่าเขาด่าเขาแจ้งเขาสาบกันใหญ่ไปไหนก็เขาสาบเขาแจ้งเขาเหวี่ยงแหวงก็จะสาแจ้งนะสวมไหยไม่สวมครับเพราะว่ามันไม่เกิดเครื่องล่อมันไม่เกิดเวทนา นั้นเราเนี่ยเราติดเวทนาอะไรเป็นที่มาที่อาศัยที่ตั้งของเวทนาที่เราชอบเราก็จะปล่อยชอบสิ่งนั้นไปด้วย <c oughs> และถ้าหากว่าเวทนานั้นเราได้เองโดยอิสระจากสิ่งอื่นเราก็จะชอบไอ้วิธีการที่จะทำให้ได้ยาายอย่างคนทำชาเนี่ยกตัวอย่างอเขาไม่ต้องมามามีอะไรไม่ต้องแบกหามใช่ไหม เขาล้วเขาแค่นั่งผัดสมาที่กําหนดจิตเี่ยได้ความรู้สึกแหละเขาก็เลยชอบฌานก็ให้เวทนาเหล่านั้นแก่เขาทีนี้เวลาเราติดเวทนาเนี่ยเวทนาที่ใครจะติดหรือไม่ติดถามมาเวทนาที่ยังไม่เตียงไม่เตี้ย ง, ยงอแล้วทำไมเราติดล่ะ ว, วิธีที่จะทําไม่ให้ติดเวทนา คือวิธีที่จะไม่ให้ติดสิ่งอื่นก็คือต้องมาดูทางเวทนาไอ้ของอื่นนะดูให้เห็นให้อะไรก็ทำให้ให้การให้ค่าทางเวทนาลดลงเนี่ยนะแล้วก็ถ้ามัมีเวทนาอยู่เราดูเวทนาไอ้ตรงนี้ท่านบอกว่าให้กำหนดเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาว่าเป็นของไม่ยั่งยืนโอ้ตรงนี้เกี่ยวัความจริงใช้ในชั้นความคิดก็ได้ เช่นว่ามันของชั่วประเดี๋ยวเดียวเราคิดดูนะของชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองไอ้สุขเวทนาเนี่แต่ถ้าสมมติเราจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปเราก็คิดหน้าคิดหลังเนี่ยก็จะบอกตัวเองว่ามันของชั่วประเดี๋ยวเดียวเช่นว่าของนี้เป็นสุขแค่ตอนซื้อและหลังจากนั้นทำยังไงยังไงก็ไม่สนุกเลยมันสุขแค่ตอนซื้อ ชัวประเดี๋ยวเดียวอะไรเงี้ยนะไอไอบาปอย่างอื่นก็เหมือนกันก็คิดพิจารณาอย่างนี้แล้วก็อันนี้ชั่วการสักครู่หนึ่งหรือว่าถ้ามันได้มาก็รูกว่ามันมีจุดจบของมันอะไรก็ได้คิดไปเถิดแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าการเข้าไปเห็นเวทนาอย่างเป็นของลามเลียเรามีจะมีความรู้มันของลามเลียและ เป็นของเลื่อนลอยชั่วประเดี๋ยวเดียวด้วยอันนี้เรียกว่าเห็นความไม่มีแก่นสารและเป็นของดับไปดับไปเฉพาะหน้าเออตรงนี้นะ่ะเออต้องต้องอ้างถึงคนที่เคยปฏิบัตินะนี่ระดับปฏิบัติแต่ไปเห็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยมัน มันเหมือนถูกหลอกไม่มีผิดเลยครับถ้าเทียบกับกแกของเราแล้วถ้าใครมาหลอกเราเนี่ยนะเช่นเขาหลอกเราว่าแหมหลอกให้เรามีความสุขนะเทีเนเนยบแหมคุณหล่อจังเลยเกิดมาไม่เคยเห็นคนไหนหล่อเท่าคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้คุณยังคุณคล้ายๆมาพูดหลอกให้เรามีใจเราจะรู้สึกอย่างนี้ทีนี้เราเนี่ยมาถูกหลอกบ่อยๆเข้าเราเบื่อไหมเบื่อ เบื่อคนหลอกไหมได้พูดเลยอว่าอย่างคนมีความรักมีทีรัยก็โดนหลอกทุกทีเบื่อไหมเบื่อบางคนก็ก็อาจจะมีดวงชะตาคือโดนหลอกไม่ว่าจะทำอะไรโดนหลอกทุกทีมันเบื่อนะเลยบางคนเป็นหนักเลยเกลียดผู้ชายทั้งโลกเกลียดผู้หญิงทั้งโลกอย่างนี้ก็มีวันนี้ผมประโชคดีได้นั่งเลสซี่มานียม เขาเมื่อไก็ดีเขาเคยบวชสามพรราแล้ะเคยเป็นนักเทศน์คนจังหวัดสีสเกตนะเห็นหน้าก็ดูเออดีคุยกันดีเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขามาส่งคนอต ร, ต, รตรงแถวปุดตรงแถวสมุทรปราการเนี่ยนะก่อนที่จะมารับผมเนี่ยโดนไ อ, ไอ้แต่งตัวดีฮะเรียกมาจากแถวบาร์ตัวเรวงเปิดหกโมงปิดหกโมงหกโมงเช้านะมันก็เรียกแล้วก็มาวางอุบายแล้วมันหลอก รอตั้งนานจนคนมาบอกว่าไอ้อย่ารอเลยคนนี้มันชอบหล อ, อกแท็กซี่มาส่งแล้วไม่จ่ายตังค์มันบอกว่าเข้าไปเอาตังค์ก่อนอนะไรเงี้ะที่ผมก็ถามว่าเคยโดนผมบอกปลน้นไิห่ยเคยแต่หลอกนี่โดนประจํานอะบางทีก็โดนผู้หญิงสาวๆจะก็เล่าหลายๆนะที่สามคนบ้านกําแพงสูงเงี่ยกระวังเนี้ยแอบหนีพ่อแม่ไปเที่ยวทำไม่รู้ลูกของพวกเราบางคนมาแล้วก็เข้าบานหายเงียบเลยครับบอกให้รอหลอกให้รอ บงคลก็แม้หน้าตาสวยหลอกขึ้นบ้านหายเงียบไปเออเราก็นั่งฟังแมมแกข้าจะทำกรรมดังนี้แต่เรื่องโจรปล้นฆ่าไม่เคยมีแต่ว่าไอมาเรียกคนอื่นสิบลำไม่ไม่เรียไม่ไ ม, ไม่ไม่รับเนี่ยมารับแกแล้วแกสามารถพูดกล่อมโจรได้จนตัง้งโจนไม่ปลนจ่ายค่าได้รีบรามระเบียบบอกแมมนับถือจริงๆลุง <c oughs> ไปไปส่งแต่พุทธมณทนลึกๆไง เออก็บอกแกมีบุญดีนะก็มองคือคนเรามันมีกิสิต่างกันแสดงว่าศีลข้อไอ้ข้อที่ไปหลอกหลอกอะไรก็มีสงสัยตอนเทศกูไปเทศหลอกยาวบ้านก็ว่าเยอะผมว่าไม่ได้คุยต้นต่อเลยเลยมาเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้มันเหมือนกันเราเรารู้สึกว่าแหมเวลาถูกคือมันเบื่อที่จะยึดอะนะ มันไม่เหมือนกับไอ้หลักความเห็นนะมันเบื่ อ, เ บ, อเบื่อที่จะยึดกระทั่งว่าทําแล้วเกิดความสงบสุขนี่ก็เบื่อมันเหมือนหลอกอี ก, ก น, นะเราก็เลยบอกช่างเดิมจะเป็นยังไงนะจ่างเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เลยเป็นอิสระเลยมันเรียกว่ามันเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่ความสุขเพราะการที่จะไปนั่งฝากฝี ฝ, ฝากใกล้หรืออะไร อย่างไรอยแม้แต่บุญเี่ยเรายังคิดฝา่าผีฝา่าไข้ตัวไม่ถูกและคนหลายคนพวกเราเนี่ยทรับที่บ่นกันมาเป็นระยะแม่ขนาดนี้ก็มีขนาดนี้นะขนาดนี้แต่ไม่ใช่ทีนี้พูดเหมือนกันเปรียบเลยเพราะอ้าปากของเคยจะพูดแทนได้บอกว่าแม้ชักน้อยใจเหมือนกันนะทําบุญแล้วบุญไม่ช่วยทําบุญแล้วบุญไม่ช่วยจริงๆริง นี่นี่นี่มีอยู่หลายกําลังอยู่ตอนนี้ทำบุญแล้วบุญไม่ช่วยหมายความว่าไงฝากผีฝากไข้กับบุญจะเอาบุญเป็นสารณะแบบไม่เข้าใจแต่ลูกปูปลงนะคือถ้าเข้าใจดีอะไรก็ไดแต่นี้ยเขต้องมองเห็นอะไรบางอย่างนี่ถ้าถ้ามันเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี้ยก็ไม่ต้องปูแล้วมันหลุดเลยก็ไอ้ความน้อยใจยอย่างนี้ไม่มีกับคนที่เข้าถึงอย่างนี้ แที่ผมว่ามชิปผมไม่ได้พูดปฏิเสธบุญนะผมพูดในในระดับหนึ่งเท่านั้นผมไม่ได้ใช้คําว่าบ้าบุญบ้าสวรรค์แล้วก็มาพูดมาให้ทําบุญนะให้ท่านทําแล้วว่าท่านจะต้องประกดใจของท่านตรงนี้ให้เป็นแล้วก็ไอ้การทําได้แค่ปลายเป็นการเสริมให้ท่านทําบุญได้ดียิ่งขึ้น แล้วบุญก็จะส่งผลได้ได้ถนักใจยิ่งขึ้นบุญก็เหมือนคนดีอ่ะเราไปตั้งข้อแม่คนดีเขามากเขาก็ไปขยากดีกัเราต่อไปเนี่ยเทีนบอกว่าออสมมติเราสมมตเราเป็นพระพิโยมอย่าลืมใส่บาตรธทมมาทุกวันนะตั <laughs> ้นองแกมบังคับอะไรเงี้ยนะอย่างนี้นเราก็ก็คงไม่สบายใจเป็นพ่อเป็นแม่เราดียังไม่สบายใจเลยคนนะ่ย ห้ามโน่นห้ามนี่ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ในทางต่างจนกระทั่งอื่นอาจใจเอาละว่าถึงเวทนาต่อไปที่กล่าวว่าสุขทุกขเบทขาเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากล่าวโดยประเภทของเวทนามีสามเราก็รู้อยู่ว่ะเวทนาสามเวทนาชนิดใดปรากฏเนี่ยก็เสวยไปสเสวยไปนั้นก็มันก็ต้องเกิดแล้วก็รับเอาเวทนาไปแต่ว่าไม่ได้ยึดถือ ไม่ได้ติดธรรมะตัวเนี้ยปฏิบัติได้จริงครับควรทําได้ทั้งในระดับความคิตหรือระดับปฏิบัติก็ตามไม่ใช่เป็นของพูดผันผ่านหรูๆไปเท่านั้นนะต้องหัดใจให้เป็นตรงนี้ด้วยให้ดูมันเกิดแล้วก็มีวงรอบเพราะมันไอข อ, ของข้างนอกเป็นเพียงปัใจจัยให้เกิดเวทนาเท่านั้นเองที่ต่อไปที่ว่าเวทนาปรากฏทางกายกับทางชีวิตเนี่ย อันนี้เป็นํานวนแปลกหน่อยเวทนาทางกายหมายถึงเวทนาทางปัญจากถาวรตาหัวจมูกลิ้นกายเวทนาทางชีวิตหมายถึงเวทนาทางใจทั้งมโนถาวรอาจรย์ตาแก้อย่างนี้ชัดเจนแล้วก็มีปัญหาท่านบอกว่าไอ้เวทนาทางใจกับทางกายเนี่ยอันไหนมาก่อนและอันไหนดับก่อนท่านตอบอย่างนี้ครับบอกว่าเวทนาทางใจมาก่อนดับหลังสุด เพราะอะไรเพราะว่าปฏิสนธิเกิดเกิดขึ้นเกิดทางใจใช่ไหมไม่ได้เกิดทางตาทางหูตอนตายขณะจิตตายเป็นจิตทางใจไม่ใช่จิตทางตาแม้ตอนกใกล้ๆอาจจะมีทางตาหูได้แต่ตอนจิตดับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวทนาทางใจเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ดับทีหลังทางปัญจาทวารมาทีหลังเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําฝนที่ตกลงสู่สระน้ําที่มี สายน้ําอยู่ห้าสายมีที่ระบายอยู่ห้าที่เนี่ยพอตกลงม า, าสู่แอ่งน้ําแล้วจึงไหลออกไปทางทั้งห้าทา ง, ทา ง, ทางแล้วท่านก็ว่าต่อไปนิดนึงว่าเวทนาของเราเนี่ยลดชาติคงที่นะครับทั่วชีวิตเราไอ้ไม่นคงที่ไปเพราะอารมณ์เพราะการเวลา อ, าอันหนึ่งแต่ว่าเป็นไปตามวัยเปลี่ยนไปตามวัย คงที่ไหมหรือไม่คงตอบว่าไม่คงที่เวทนาเราไม่คงที่เปลี่ยนไปตามว้แต่ท่านก็ว่าเป็นเกณฑ์กา้าวว่ะในปฐมวัยเป็นยุคเวทนาเจริญในมัชฌิมาวัยเป็นยุคของเวทนารักษาสภาพและยุคปฏิมาวัยเป็นเวทนาถอยหลังลดลดชาติลดลง จริงไหมจริงกินอาหารอร่อยเท่าตอนหนุ่มตอนสาวไหมเดี๋ยวพาไปเดี่ย ว, ยวก๋ยเตีวเม็ดก็วเตี๋ยวเป็ดต่างมือแล้วกันเช็คารอ้อยฟันดิเปลี่ยนดูหนังดูละครอะไรมันก็มันก็ไม่ได้สนุ ก, ก น, นะมันก็จะกล้าเอาเถอะแต่จะบอกเข้าวัดเข้าว า, ว า, วาวามันก็แหมสู้ตอนเข้าหนุ่มไม่ได้เข้าสาวไม่ได้ถูกไหมถ้าใครเข้ามาตัา้งแต่หนุ่มจนจนหนุ่มน้อยสาวน้อยเนี่ยก็เดียบดูแต่แต่ของเราเมื่เออมันอยู่ตัวแล้วอะ มันเราทํามันจะถ้าเข้าตั้งกระ น, นุ่งตามันอยู่อาจจะอยู่ตัวหน่อยนะแต่ผมพูดธรรมะเนี่พอแก่ๆผมก็ยังนึกไม่ออกผมก็ดูดคนรุ่นพี่ก็ว่เนี่ยอเอเ อ, เอมันต่อไปอาจจะซ้ำซ้ำ ซ, กซากๆอย่าเงี้นะพูดไปพูดมาซ้ำซ้ำซากๆตอนนี้ยังไม่ใทาํามในบุปผังหน้าเลยเลยต่อไปคงซ้ําซากอยู่นั่นแหละท่านก็คงจะเบื่อไปอะไรงีนะแล้วกระช้าๆ เ, เรื่องไฟมันลดกุศลมันก็น้อยลง ทำมาเทศนากุสอนมันก็เป็นไปได้นั้นเมื่อพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงความนับถือคนที่อยู่ในปัจฉิมวัยและยังเข้มแข็งบึกบึนอยู่ ก, กับธรรมะเนี่ยนะคนหนุ่มคนสาวเนี่ก็ไม่ไม่น่าดึงหลายคนที่มาเนี่ยก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมองในแง่นี้ก็ต้องยกให้เป็นพิเศษถ้าคนเด็กก็มองอีกแง่นีงก็เออยังเด็กแทนที่จะใช้พลังเวทนาไป ท, ที่นู่นที่นี่ก็มาได้ตางนี้ก็ดีไปอีกอย่างทีนี้ที่ท่านบอกว่าไอเวทนาถ้าเป็นของพระอาหารหันต์เนี่ยนะตัวเราเนี่ยเหมือนหม้อ ด, ดินเหมือนหม้อ ด, ดินที่เอาออกมาจากเตาเผา ท, ที่เทียบเนี่ยอ่านท่หมายว่าเหมือนบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนออกจากเตาเผา <c oughs> วางบนพื้นดินอันเรียบ ไออุ่นที่หมอ น, นั้นพึงหายไปกระเบื้องหมอยังเหลืออยู่ที่พื้นบินนั้นนั่นแหละแม่ฉันใดพิสูจน์นั้นเมื่อสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาปรากฏทางกายทางชีวิตแล้วก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาเนี่ยทั้งหมดตัณหาไม่เกิด <c oughs> ไม่เพิดเลย แล้วก็จักเย็นสลีละจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตก็จะไม่มีนะอันนี้หมายถึงที่ท่านพูดถึงพระหลานพ ร, ระหลานเนรู้เลยว่าเวทนาคือพระหลานเนี่ยท่านยันนึกว่าชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะท่านเมื่อยังไม่ตายเนี่ยท่านมีความสุขมากสุขน้อยสุขมากเทียบเหมือนเราเนี่ยอย่างเราเเนี่ยก็อาจจะสุขไม่เท่ากัน แต่ผมเนี่ยผมก็ว่าผมมีความสุขนะทุกวันเนี่ยที่มาทําอะไรไม่ได้ผืนทามีความสุขอยู่บ้านก็คือไม่ค่อยจะทุบร้อนไม่ค่อยเข้ามาหาต้องมีความสุขดีอ่ะก็คิดว่ามันเป็นสมบัติอันล้าค่าที่เราเรามาได้คุณสมบัติทางชีวิตอย่างนี้พอสมควรเนียนะะเมื่อโย่ไปเทีย่ยบคนอื่นก็คือแม่เราเราเรา บอกว่าเอาเอ า, เอาโขนดมาแลกเขไม่ยอมเลยก็บ้างเงี้ก็แล้วกันมันมันก็เป็นคุณคาณ่าอันหนึ่งที่มันมองไม่เห็นตัวเนี่ยว่าพูดถึงเรานึ้ถึงพระอาหารหันว่าถ้าผู้เป็นพระอาหารหันเนี่ยสภาพจิตเนี่คงที่มาไม่รู้หนาวรู้ร้อนในประเภทนั้นไอ้ร่างกายจะเป็นไงแต่ว่าในใจเนี่ยคงที่มาทางใจก็เป็นเวทนาทางจิต ของเรานะี่ยต่างกับท่านตรงที่ว่าเรานะ่ะเป็นหม้อที่ยังไม่ออกจากเท้าเผายังเผาไปอยู่นั่นแหละเป็นแล้ว่าเชื่อมันอาจจะหมอดจะจางไปเป็นระยะระยะตรงนั้นตรงนี้ก็ได้มีโอกาสไหนใจให้คอบ้างแต่พระอาหารหันเนี่ยท่านถอยออกมาแล้วเวทนามีแต่จะจางลงจางลงจางลงในข้อที่ว่าไอ้ทุกร้อนอะไรที่มันเข้ามาทางกายก็กรอ่อนกําลังลงด้วยนะ ตั้งก็มีปูมต้านทานดีขึ้นแล้วก็เวทนาทั้งหมดเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ดับแต่อันนี้ในระดับอาหารหันต์ถือว่าเป็นข้อดีสัญญาเวทนาแตนิโรธการดับเวทนาสัญญาไม่มีตัวเหลือเป็นยอดของความสุขคือเรียกว่าท่านเบื่ออยู่แล้วเนี่ยของเนี่เวทนานมันเป็นของมันก็ของเกิดดับกิดดับนะมันก็เหมอือนของหลอกของหลอนเหมือนกั น, นมันมีความสุขชนิดที่ไม่ต้องมีเวทนา ึงเมื่อพูดถึงตรงนี้เราเองก็ต้องยอมท่านว่าเราไปไม่ถึงนิมนต์ทั้งไปก่อน <c oughs> เ, รเราขออยู่ในเตาเผาต่อไปจะ <c oughs> เป็นอันว่าสูตรนี้เราไปดูท้ายสุดก่อนที่จะจบนะท้ายสุดของหน้าสี่ที่ผมครู้มียภาคเมื่อได้ตัดซักซ้อมกับพิสูจนทั้งหลายเพราะว่าเวลาเทสนาอุตยานเนี่ยทรงสแสดงอย่างให้ปฏิบัติตามแล้วค่อยๆพูด เราค่อยๆ ค, คิดเหมือนการจูงสมาธิแต่นี่เราเป็นการจูงวิปัสนาจูงไปในวิปัสนาทําไปด้วยฟังไปด้วยไปแทรกนิดนึงว่าคงจะก่อนขึ้นปีนลยนะเราจะเปิดเรื่องการแผ่เมตตาจะบรรยายมีเอกสารซึ่งจะค้นจากพรไตรยดุยดกทั้งหมดว่าท่านสอนไว้ว่ายังไงจะแล้วก็ให้เป็นหลังแั้วทั้งก็งฟังแล้วก็เปนช่วงหลังจะให้ปฏิบัติไปด้วย คาจริงจะให้นั่งหลับตาฟังก็ได้คนพูดก็นั่งหลับตาพูดไม่ได้ห้องเ่ะพูดไปทางคนต่างหลับแผ่เมตตานะนี่เ็าเรียกว่าสแสดงแบบอ่อสหาคดปฏิบัติสแสดงไปในปฏิบัติโอกาสที่จะมีคนได้ฌานย่อมเป็นไปได้ขนาดฟังเนี่ยแล้วพูดจำแม่นครับ เราพอนึกตาขึ้นมาโหสดชื่นมากกระปี้กระเปล่าเดี่ยต่อไปอาจจะมีการบรรยายลักษณะนี้มากขึ้นแต่ต้าว่าดีนะแต่คนจะฟังอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานพอนะไม่ใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวพูดแล้วให้นั่งหลับตาแล้วหลาบกันทีจี๊ดแต่พูดไม่รู้เรื่องกันเลยคนพูดลืมตาไปเทีท่ยวอะไรแล้วนีก่ก ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสซักซ้อมแล้วเนี่ยอันก็ดูจิตใจนะว่าคนฟังเนี่ยไปยังไงอันนี้มันเป็นตำดาของคนนี้ก็ตอนแบบเนี้ยก็จะดูไปด้วยเหมืนมอนพวกเราก็พอได้ทั้งเราตื้นๆนะจัดว่าเธอจงสำคัญ <c oughs> จงสำคัญนก็คือใส่ใจส่งจําไว้ตระหนักไว้ให้ดีจงเชื่อ ซึ่งข้อนั้นไว้อย่างนั้นเถิดจงน้อมใจไปสู่ข้อนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเครือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดทั้งหมดเหล่านี้คือผู้ใดที่ปฏิบัติและเดินไปตามลำดับลาดับได้จริงก็คือได้ความสำเร็จแล้วบอกให้ทรงไวการเป็นการตรัสสำทับธรรมะที่ได้นั้นให้แน่นไว้ในดวงจิต และใครที่ฟังแล้วก็ได้ความเข้าใจพอสงควรก็จะได้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นอาธิพรหมจันทร์ในภาคปริยัตเพื่อเอาไปปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้ในการต่อไปแล้วก็ตเจาว่านี่เป็นที่สุดแห่งทุกคือว่าถ้าเราดับดับเนี่ยที่บอกว่าดับอะไรต่อลายเนี่ยคือที่สุดแห่งทุกรู้ในลักษณะความรู้นั่นเองละและดับโดยการตัดเหตุ เราก็พ้นไปจากความที่จะต้องไปเป็นอย่างนั้นอีกจึงเป็นที่สุดแห่งทุกอย่างนี้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา